บทที่15ผู้ปกครองภูมิต่างๆมีสิ่งที่น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งครับโรเยอร์ปรารถุขึ้นคือผมไม่เห็นมีร่องรอยการปกครองที่ไหนเลยในโลกนี้แล้วเธอคิดว่าเป็นข้อบกพร่องหรือข้อได้เปรียบต้องไม่ใช่ข้อบกพร่องแน่ทีเดียวครับถ้างั้นก็คงเป็นข้อได้เปรียบความจริงเรื่องนี้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ไม่ว่าเธอจะมองไปทางไหนเธอจะไม่ได้เห็นร่องรอยของการปกครองแบบโลกมนุษย์อยู่เลยคือไม่มีการประชุมสภาการออกกฎหมายพระราชบัญญตัติและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองเช่นนั้นเลยทีนี้ฉันอยากจะถามอะไรเธออีกสักหน่อยเธอเคยเห็นกระดานป้ายสำหรับปิดประกาศที่ไหนบ้างไหมที่สั่งบังคับเราให้ต้องทำอย่างนั้นต้องไม่ทำอย่างนี้ เวลาทำงานก็เมื่อนั้นออกเมื่อนี้เข้าหรือไม่ก็ห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไปในอาณาเขตส่วนตัวห้ามไม่ให้เดินลัดสนามหญ้าและอะไรอีกยิปาถะไม่เคยเห็นแน่นอนครับและรับรองว่าเธอจะไม่ได้เห็นที่ไหนเลยเป็นไงดีไหมดีแน่นอนครับจากความจริงข้อนี้พอจะทำให้เธอรู้สึกไหมโรเยอร์ รูดเอ่ยขึ้นว่าเราล้วนแต่ประพฤติตัวเรียบร้อยกันหมดทุกคนความจริงของเรื่องนี้เป็นดังนี้โรยอร์ er, คือการปกครองที่นี่เป็นไปเองตามธรรมชาติและดังนั้นจึงเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในส า, นากลจักรวาลดีกว่าระบบการปกครองที่มนุษย์จะพึงคิดบัญญัติขึ้นมาสักล้านเท่า ทางนี้พราะกฎธรรมชาติไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้ใดช่วยบังคับมันทรงอยู่และมีอำนาจบังคับอยู่ในตัวมันเองความจริงในโลกมนุษย์ก็มีกฎธรรมชาติเหมือนกันเป็นแต่ว่ามองเห็นได้ยากสักหน่อยเท่านั้นเช่นเวลาจะส่งกระแสความคิดออกไปนั้นคงมีน้อยคนที่จะรู้ว่ามีผลตามกฎธรรมชาติอย่างไร แต่พวกเราผู้อยู่ที่นี่สามารถมองเห็นความเป็นไปของกฎธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งกฎธรรมชาติบางอย่างก็ไม่สามารถให้ผลสมฤทธิ์ได้ในโลกมนุษย์สมมติว่าเธออยู่ในโลกมนุษย์และพยายามจะใช้อำนาจความคิดบังคับให้โลกเคลื่อนต่อไปเหมือนดังที่เธอทำอยู่ณที่นี้การกระทําเช่นนี้ก็คงไม่เกิดผลอย่างใด อย่างไรก็ตามเท่าที่ฉันได้พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีผู้ปกครองเลยเพราะอันที่จริงก็มีอยู่เหมือนกันนี่แหละครับที่ผมตั้งใจจะถามท่านในตอนแรกเมื่อกล่าวถึงเรื่องการปกครองโรเยอร์กล่าวแต่ละภูมิมีผู้ปกครองของตนแต่อันที่จริงคํานี้ก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับในโลกมนุษย์ทีเดียว เพียงแต่เราล้อเลียนตามสับของโลกมนุษย์บ้างเท่านั้นเองท่านไม่ได้ปกครองด้วยหรือครับเปล่าเลยนี่แหละคือจุดสำคัญฉันว่าท่านมีหน้าที่เป็นประธานจะมากกว่าที่กล่าวนี้ฉันหมายถึงภูมิแห่งแสงสว่างหรือสุคติภูมิโดยเฉพาะความจริงเรื่องนี้จะทำให้เธอเห็นว่ามีประโยชน์เพียงใดเพราะเมื่อไม่มีรัฐบาลดังเช่นในโลกมนุษย์ ก็เป็นอันไม่มีเรื่องปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งโดยมากก็มักเหลวพอๆกับรัฐบาลเก่านั่นเองนอกจากนั้นก็ยังไม่ต้องมีนักการเมืองที่มักคิดบ้าๆบอๆไม่มีผู้ที่หวงเก้าอี้โดยไม่คํานึงว่าตัวเองมีความสามารถพอสมควรกับตําแหน่งนั้นหรือเปล่าอันที่จริงถ้าชาวโลกมนุษย์จะหันมาขอความช่วยเหลือจากชาวโลกทิพย์บ้าง เราก็ยินดีจะให้คำแนะนำเสมอท่านมองซินเยอกำลังเทศใหญ่แล้วรูดกล่าวสัพพยกถ้าหากชาวโลกมนุษย์จะฟังเทศของฉันบ้างก็จะเป็นการดีแก่ตัวเขาเองแต่นั่นแหละพูดถึงเรื่องของโลกทิพย์แล้วไม่ค่อยมีใครเข้าฟังกันดอกมีพวกเราชาวโลกทิพย์ที่ได้ติดต่อกับโลกมนุษย์อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ สามารถจะรู้ได้บ้างเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์อันใดบ้างเกิดขึ้นแก่โลกมนุษย์เมื่อใดเธอคิดดูเถิดโรเยอร์ว่าท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปนั้นจะยิ่งมีปัญญาล้ำลึกสักเพียงใดแต่น่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนมากมองไม่เห็นความจริงข้อนี้เสลยพวกพระในโลกมนุษย์ก็ไม่เห็นค่อยทาอะไรที่มีแก่นสาร นอกจากจะงมอยู่กับพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆ อ, อันหาสาระอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นดูเถิดโรเยอร์ในโลกมนุษย์มีแต่ความยุ่งยากอย่างยิ่งแล้วเธอลองหันมาดูสภาพความเป็นไปในโลกทิพย์บ้างจะเห็นว่ามันห่างไกลกันมากทีเดียวความรู้ความสามารถของมนุษย์จะมีประโยชน์อย่างไรในเมื่อผลที่เขาได้รับก็คือสงครามโลกถึงสองครั้งแล้ว และเดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดกันถึงสงครามโลกครั้งที่สามกันอีกเธอรู้ไหมว่าในเวลานี้ศาสนามีบทบาทอย่างไรรู้สึกว่าเขายังทะเลาะ ก, กันอยู่ใช่ไหมครับจริงอย่างนั้นแต่เอาเถอะเรากลับมาพูดถึงเรื่องผู้ปกครองที่เธอถามค้างอยู่ดีกว่าในเรื่องนี้ บางคนได้อยู่ในโลกทิปนี้มาแล้วนับเป็นเวลาตั้งพันพันปีทีเดียวผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดหรือสติปัญญาสูงมากนอกจากนั้นก็ยังต้องมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างกว้างขวางมีความอดทนและมีจิตใจประเนียสูงอย่างยิ่งผู้ปกครองในภูมิหนึ่งภูมิหนึ่ ง, น, งนั้น มีความรู้กว้างขวางกว่าผู้อยู่ใต้ปกครองอย่างดีเลิศและลึกซึ้งสำหรับเรื่องความจำนั้นเป็นอันไม่ต้องกล่าวแล้วว่าท่านจะมีมากเพียงใดแต่ที่สำคัญก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือท่านมีจิตใจปราณีตสูงกว่าภูมิที่ท่านปกครองมากทีเดียวและนอกเหนือจากผู้ปกครองในภูมิต่างๆที่กล่าวมานี้ก็ยังมีอีกผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่เหนือผู้ปกครองทั้งหลายขณะนี้เองก็มีเสียงที่คุ้นหูดีร้องถามมาจากภายนอกห้องขออนุญาตชั้นเข้าไปสักหน่อยได้ไหมครับนั่นเสียงของโอมานี่รูดอุทานและลุกขึ้นไปต้อนรับที่ประตูผู้ที่มาใหม่คือโอมาและเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาคือชาวอียิปนั่นเอง คุณมาพอดีทีเดียวครับโอมาเข้าไปเจ้ากล่าวทักครั้งนี้มาเยี่ยมหรือมาธุระหรือว่ามาทั้งสองอย่างอ้าวก็มาเยี่ยมน่ะสิครับโอมาตอบคนอย่างผมไม่ชอบเรื่องธุระดอกมันทำให้แก่เร็วไปเปล่าๆและนี่แหละยิ่งทำให้ผมเป็นหนุ่มอยู่เสมอจริงไหมโรเยอร์จริงครับโรเยอร์ตอบอย่างคุ้นเคยขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับยิ้มยังรู้ความหมายของโอมาดีดูเธอสบายดีมากแล้วนี่โรเยอร์โอมากล่าวชมเป็นอันว่าเป็นปกติดีแล้วนะเอาละทีนี้ผมจะบอกความประสงค์ของการที่ผมมาให้คุณทราบเสียทีคือผมมีข่าวดีจะบอกให้คุณทราบว่าท่านผู้ปกครองผู้สูงสุดกำลังจะมาที่ภูมินี้ในไม่ช้านี้แล้วท่านบอกว่า ท่านต้องการจะมาแวะหาคุณสักหน่อยนี่ละคือเรื่องธุระของผมไม่ต้องพูดกันมากเรื่องเป็นไงคุณจะว่าอย่างไรไม่น่าถามเลยโอมาเรื่องเช่นนี้ไม่ได้มีบ่อยนักผมรู้สึกยินดีและขอบคุณท่านหัวหน้าเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเราได้ทักทายปลาัสากันอีกเล็กน้อยแล้วโอมากับเพื่อนเขาเขาก็ลากลับไปโรเยอร์ พระเจ้าหาันไปพูดกับเด็กหนุม่มโอกาสเช่นนี้เราจะไม่ได้พบบ่อยนักดอกนะท่านผู้ใหญ่ที่กําลังจะมานี่เป็นใครครับเธอจําได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเธอเคยถามเราว่าโลกนี้อายุเท่าใดและเราได้บอกให้เธอฟังถึงบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่มาตั้งแต่ก่อนโลกมนุษย์เสียอีกบุคคลผู้นี้แหละบัดนี้เรากาลังจะได้พบอยู่แล้ว และท่านผู้นี้เองเป็นผู้ปกครองของโลกทิพย์หมดทุกภูมิในโลกมนุษย์ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่เชื่อว่าท่านผู้อยู่ภูมิสูงสุดจะไม่มาจากภูมิของท่านเลยไปนันขาดเพราะจะเป็นการเสียเกียรติอย่างยิ่งทัศนะดังกล่าวนี้เป็นความผิดอย่างมากเพราะว่าท่านผู้นั้นเดินทางไปยังภูมิอื่นๆ อ, อยู่เสมอดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า บางทีเราก็าลองพูดอยู่กับท่านผู้นั้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วท่านผู้นั้นเป็ น, ปนไม่ใช่ไม่ใช่แน่ท่านยังไม่ใช่พระราชบีดายแห่งสากลจักรวาลทั้งปวงหรือ Father of the Universe ท่านผู้นี้ทุกคนที่อยู่ในภูมินี้พอเห็นก็จำได้ทุกคนเราเรียกท่านว่าท่านหัวหน้าที่รักหรือ Beloved Master กันโดยทั่วไป ท่านมีตำแหน่งปกครองภูมิทั้งหมดของโลกทิพย์และดังนั้นจึงเป็นเสมือนผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองลงมาจากพระบิดาของเราทั้งมวลความสามารถและสติปัญญาของท่านผู้นี้เราไม่สามารถจะคาดคะเนดได้เลยว่าจะมีขอบเขตภัยศาลเพียงใดเพราะระดับความรู้ของเราทั้งหลายนั้นเทียบกับท่านไม่ได้เลยทีเดียวคุณสมบัติสามประการเหล่านี้ของท่าน คือความรู้ความประนีตของจิตใจและสติปัญญานั้นจะสังเกตได้โดยสีสามสีแห่งอาภรณของท่านคือสีน้ําเงินสีขาวและสีทองสีทั้งสามนี้ปรากฏอยู่ที่อาภรของท่านเป็นประกายสุกปลังที่เธอจะไม่เคยได้มีโอกาสเห็นมาก่อนเลยเธออาจจะได้สังเกตเห็นบ้างแล้วว่า เสื้อของโอมาก็มีสีทั้งสามนี้ปรากฏอยู่เหมือนกันแต่นั่นก็ยังไม่มากเท่ากับที่ปรากฏอยู่ที่อาพรของท่านหัวหน้าผู้นี้เลยผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีครับท่านโรเยอร์กล่าวผมคิดว่าผมควรจะหลบไปก่อนซะดีกว่าเพราะผมยังเป็นเด็กและท่านเป็นผู้ใหญ่มากไม่ได้ไม่ได้ไไดแน่โรเยอร์ข้าพเจ้ากล่าว เธอต้องอยู่สิโรเยอร์ Roger, ต้องอยู่แน่ๆทีเดียวแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นการยุ่งหรือเกะ ก, กะโดยใช่เหตุครับนี่นะโรเยอร์ Roger, รุดกล่าวปลอบเธอก็เคยเชื่อเรามาเสมอใช่ไหมดังนั้นครั้งนี้ฉันจะขอให้เธอเชื่อเราอีกสักครั้งขณะนี้เราได้สังเกตเห็นว่าฟรานซ์โยเซฟและปีเตอร์อิลยุธกำลังเดินเข้ามาพอดี เราได้ทักทายปลาสายกันด้วยความยินดีและได้บอกเรื่องที่โอมาได้มาบอกข่าวดีแก่เราและเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองง่ายๆผมก็ต้องขอให้ทั้งสองอยู่ได้กันก่อนนะนี่เพื่อนเอ๋ยฟรนซ์พูดเรื่องเช่นนี้อย่าว่าแต่ขอให้อยู่เลยต่อให้ไหล่ฉันก็ไม่ไปโรเยอร์กาลังตกใจใหญ่ข้าพเจ้าบอกเขา ตายจริงปีเตอร์กล่าวอะไรกันนี่โรเยอร์ตกใจด้วยเหตุใดเหลวไหลแล้วโรเยอร์รอให้ท่านมาถึงซะ ก, ก่อนเธอแล้วเธอจะรู้ได้เองว่าไม่มีเหตุอันใดที่ต้องตกใจเลยรับรองพอเธอเห็นท่านแล้วเธอจะไม่อยากจากไปเลยฟลานส์และฉันก็มีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันเราได้เคยพบและสนทนากับท่านมาหลายครั้งแล้ว และรู้สึกขอบคุณท่านอย่างล้นเหลือที่ท่านได้ให้กำลังใจแก่เราในเรื่องงานศิลปะอันที่จริงฉันอยากจะกล่าวว่าแรงโดนใจในด้านศิลปะมาจากภูมิของท่านจนถึงพวกเราและถึงโลกมนุษย์ด้วยจริงอย่างนั้นในโลกมนุษย์เราไม่รู้ด้วยว่าแรงโดนใจหรือแนวความคิดของเรามาจากไหนขณะนี้ รูทได้เลื่อนเก้าอี้ตัวที่ใหญ่และสวยงามกว่าเพื่อนมาไว้กลางห้องสำหรับให้ท่านหัวหน้านั่งและเราก็ออกมารออยู่หน้าบ้านเพื่อต้อนรับเหตุการณ์ที่น่ายินดีโดยพร้อมเพียงกันท่านใดก็ปรากฏมีประกายแสงสุขสว่างที่ชายเขตบ้านของเราซึ่งเป็นที่รู้กันว่าท่านหัวหน้าได้มาถึงแล้วเราได้พร้อมใจกันออกเดินไปรับท่าน และอีกไม่ช้าก็ได้เห็นท่านเดินตรงมาอย่างเราท่านหัวหน้าได้เดินมาโดยมีโอมาและท่านชาวอียิปต์ขนาบข้างมาด้วยโดยเฉพาะท่านชาวอียิปต์ได้ถือช่อคุลาบขาวช่อใหญ่มาด้วยไงยเพื่อนรักทั้งหลายโอมากล่าวทักนำขึ้นก่อนพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอ๋อฟรานซ์และปีเตอร์ก็อยู่ด้วยดีทีเดียว ท่านหัวหน้าได้ทักทายปลาัสากับเราเป็นอย่างดีขณะ น, นี้ฟรานซกับปีเตอร์กำลังยึดแขนโรเยอร์ไว้คนละข้างเพื่อไม่ให้หนีไปภาพที่เห็นเช่นนั้นได้ทําให้ท่านหัวหน้ารู้สึกขำ ม, มากอะไรกันนี่ท่านกล่าวขึ้นทำไมเธอต้องร่างแขนเด็กหนุ่มู้นี้ไว้ด้วยกลัวเขาจะวิ่งหนีไปหรือรูดได้อธิบายว่าโรเยอร์กาลังตกใจ เพราะเขาเพิ่งมาถึงใหม่ๆยังไม่คุ้นกับสภาพของชีวิตใหม่ดีไม่เป็นรายดอกโรเยอร์ท่านหัวหน้ากล่าวที่นี่ไม่มีอะไรจะต้องกลัวหรอกทำไมเธอเห็นฉันมีรูปร่างหน้ากลัวมากทีเดียวหรือไหนขอจับมือสักหน่อยสินั่นอย่า ง, งานั้นอ้าวต่อไปนี้เธอไม่ต้องกลัวอะไรนะเป็นไงฟังดูคล้ายๆกับเศษคาถาไหม ตอนนี้โรเยอร์รู้สึกว่าโล่งใจขึ้นมากหายหวาดกลัวและตื่นเต้นไปได้เอาละทีนี้ปล่อยแขนนักโทษของเธอได้แล้วกระมังฟลา์และปีเตอร์ทั้งสองคนดูเหมือนจะลืมไปว่าตนกำลังกุมแขนโรเยอร์อยู่และโรเยอร์เองก็ลืมไปเช่นเดียวกันว่าตนกำลังถูกกุมแขนอยู่เลยแสดงอาการเปิ่อนๆชอบกน ซึ่งทำให้เราต้องหัวเราะขึ้นพร้อมกันและเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นยังเด่นชัดว่าแม้ท่านหัวหน้าผู้อยู่ในภูมิสูงสุดของโลกทิฟต์ก็ไม่ใช่ผู้ที่ยิ้มหรือหัวเราะไม่เป็นต้องทำหน้าบึ้งหรือเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วท่านเป็นบุคคลที่มีหัวใจมีความกรุณารู้จักยิ้มรู้จักหัวเราะเช่นเดียวกับพวกเราเหมือนกัน โรยอร์จ้องมองดูท่านหัวหน้าอย่างไม่วางตาและได้ความชื่นชมนับถือท่านหัวหน้าแต่งตัวเช่นเดียวกับที่ท่านเคยแต่งตัวไปเยี่ยมเราทุกครั้งคือเสื้อชั้นในสีขาวเนื้อละเอียดเหมือนกับทําด้วยใยไหมหรือใยแมลงมุมฉนั้นที่ชายผ้าของเสื้อนี้คลิปด้วยแถบทองสุกปล่งเป็นประกายส่วนเสื้อคลุมชั้นนอกของท่านเป็นสีน้าเงินสุกใส มีไข่มุกเม็ดใหญ่สีชมพูประดับอยู่ตรงกลางผมของท่านเมื่อมาอยู่ในภูมิของเราจะลายเห็นเป็นสีทองแต่ถ้าอยู่ในภูมิของท่านเองผมนี้จะเปลี่ยนลักษณะจากสีทองไปเป็นแสงทองสิ่งที่ทําให้ติดใจมากก็คือดวงหน้าของท่านหัวหน้าเพราะตามที่เราได้บอกเกี่กัเขาไว้แล้วท่านหัวหน้ามีอายุยืนยาวมาหาศาลเละเกิน เมื่อเทียบกับอายุของคนในโลกมนุษย์ขึ้นนับเป็นล้านล้านปีทีเดียวแต่แม้กระนั้นโรเยอร์ก็ยังมองไม่เห็นร่องรอยแห่งความเป็นผู้มีอายุอย่างใดปรากฏอยู่บนดวงหน้าของท่านเลยนอกจากลักษณะท่าทางอย่างอื่นและสติปัญญาของท่านแล้วลักษณะของร่างกายและดวงหน้าของท่านก็เป็นเหมือนคนหนุ่มอย่างแท้จริง มันเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์อย่างยิ่งและเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นหนุ่มตลอดอนันตการได้เป็นอย่างดีในที่สุดเราก็พากันเข้าไปในห้องท่านหัวหน้านั่งที่เก้าอี้ตัวพิเศษซึ่งเราได้จัดไว้สาหรับท่านโดยเฉพาะส่วนพวกเราทุกคนก็นั่งล้อมรอบท่านเป็นรูปวงกลม ท่านหัวหน้าได้สนทนาปลาสัสกับพวกเราทุกคนอย่างเป็นกันเองและข้าพเจ้าใคร่ขอบอกท่านผู้อ่านไว้ด้วยว่าเราทุกคนไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้ากรรมการสอบไล่หรือผู้พิพากษาสูงสุดแต่อย่างใดในระหว่างการสนทนาหากเราต้องการจะพูดเราก็พูดได้ไม่มีข้อห้ามอย่างใดในเรื่องนี้ นอกจากว่าให้เป็นไปโดยสุภาพเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของสุภาพชนทั่วไปนั่นเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องหนักใจแต่อย่างใดในระหว่างการสนทนาถ้ามีเรื่องขำเราก็หัวระ ก, กันอย่างเบิกบานใจโดยไม่ต้องเกรงใจว่าเราจะดูเป็นเด็กเล็กๆไปเพราะการกระทำเช่นนั้นและท่านในการสนทนาที่ไหนมีโอมาอยู่ด้วย เรื่องที่จะไม่ให้หัวเราะ ก, กันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้และในเรื่องนี้ฟรานส์กับปีเตอร์ก็เป็นลูกหนุนที่สำคัญไม่น้อยทีเดียวซึ่งทำให้โรเยอร์รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าแม้เขาปรารถนาจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอย่างใดเขาก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันท่านหัวหน้ากล่าวขอบคุณฟลน์และปีเตอร์ ตลอดจนถึงเพื่อนร่วมงานทั้งหลายที่ได้ประพันธ์บทเพลงอันไพเราะท่านได้กล่าวอีกว่าท่านยินดีจะส่งกระแสพลังแห่งการโดนใจมาให้เสมอเสมอพวกเราทั้งหมดรู้สึกตื่นใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นท่านทั้งสามสนทนาเรื่องศิลปะในแง่ต่างๆของการดนตรีกันอย่างสนิทสนมในที่สุดท่านหัวหน้าก็ได้หานมาทางโรเยอร์ และกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นโรเยอร์มีความสนใจในเรื่องนี้ท่านได้กล่าวว่าท่านได้ทราบข่าวจากโอมาว่าเธอมีความสนใจในเรื่องดอกไม้มากดีแล้วในโลกทิปนี้มีสิ่งที่มีประโยชน์ให้เธอทำหลายอย่างและการกระทำนั้นๆจะนำความสุขมาให้แก่เธอเองและเป็นเครื่องทำให้เธอก้าวหน้าในทางจิตใจ คือเลื่อนชั้นภูมิขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยเธอคงจะเห็นแล้วใช่ไหมโรเยอร์ว่าเราที่นี่ทุกคนทำงานกันเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยไม่ได้คิดถึงผลกำไรของตัวเองเลยแต่แม้กระนั้นผลก็เกิดขึ้นมาให้เราเองและเป็นผลที่รับอย่างคุ้มค่าเสียด้วยซึ่งเมื่ออยู่ต่อไปเธอก็จะเห็นเองเมื่อใดที่เธอรู้สึกต้องการทางาน ก็จะมีงานรอเธออยู่เสมอแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องหยุดเที่ยวชมภูมิประเทศดังที่ทำอยู่ในขณะนี้ดอกนะไม่มีใครที่นี่จะควบคุมหรือคัดค้านความปรารถนาของเธอได้ดอกแต่ก็มีความจริงอยู่ว่าเมื่ออยู่นานๆไปเธอก็จะรู้สึกเองว่าการที่มีงานอะไรทำบ้างนั้น เป็นการดีกว่าการมองดูผู้อื่นทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนกับเขาเสียเลยและเมื่อใดที่เธอรู้สึกเช่นนี้ก็จะมีผู้ยินดีให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือเสมอเธอเพิ่งมาถึงใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแต่ต่อไปเธอก็จะได้รู้เองว่า มีแต่ผู้ปรารถนาดีต่อกันและกันทั้งนั้นในที่นี้และนอกจากนั้นเราจะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องจากกันอีกเลยหากเธอปรารถนาจะเรียนวิชาดนตรีเธอก็จะได้พบครูผู้สามารถซึ่งโลกมนุษย์จะหาไม่ได้และครูที่ว่านี้ก็คือท่านทั้งสองที่นั่งอยู่ด้วยกับเราในที่นี้ไงละ่ะ การงานใดๆก็ตามที่เธอกระทําในโลกนี้จะไม่เป็นอันสูญเสียผลไปเปล่าๆเลยเอาละท่านทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องลากลับแล้วแต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร่ขอมอบงานที่ระลึกแห่งการเยี่ยมในครั้งนี้ให้ไว้กับท่านสักอย่างหนึ่งว่าแล้วท่านก็เอื้อมมือไปหยิบช่อคูลาบมาจากท่านชาวอียิปต์ ขอให้เธอทั้งหลายจงรับกุหลาบเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงการมาพบปากของเราในครั้งนี้ต่อไปนะโรเยอร์หากเธอได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างสรรค์ดอกไม้แล้วก็จงนึกถึงดอกกุหลาบสีขาวว่าเพราะมันเป็นที่รักของฉันอย่างยิ่งเพื่อนๆนของเธอได้เคยเห็นดอกไม้ชนิดนี้แล้วในสวนของฉันเอาละ่ะ ขอให้พรแห่งพระบิดาของเราจงปกป้องท่านทั้งหลายตลอดการและขอจงได้รับพอรอย่างจริงใจจากฉันด้วยกล่าวจบแล้วท่านก็อำลาจากพวกเราไปเป็นไงโรเยอร์ข้าพระเจ้ากล่าวขึ้นต่อมาอีกครู่หนึ่งเธอรู้สึกดีใจไหมที่เธอได้อยู่กับเราด้วยเป็นไงโรเยอร์ฟรานซ์และปีเตอร์กล่าวขึ้นอีกพร้อมกัน เธอดีใจไหยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เธอวิ่งหนีไปแต่โรเยอร์รู้สึกอิ่มใจจนพูดไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งพอได้สติเขาก็เกิดปีติและตื่นเต้นจนระงับไว้ไม่อยู่เขาตรงเข้ามาจับมือพวกเราแต่ละคนเต้นรำหมุนไปมารอบๆห้องเสื้อผักใหญ่เมื่อเห็นเช่นนี้ ฟรานซ์และปีเตอร์ก็อดรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะปีเตอร์ได้เข้าไปนั่งที่เปีย โ, โนและบรรเลงเพลงที่มีท่วงทํานองสนุกสนานร่วมไปด้วยอีกภักใหญ่ความปีติที่แสดงออกมาภายนอกก็สงบลงแต่ความอิ่มใจก็ยังปรากฏอยู่ภายในต่อไปอีกนานแรงดันของปีติอันมีปริมาณมากเช่นนี้ เป็นเครื่องทำให้เกิดอาการทางร่างกายออกมาอย่างช่วยไม่ได้จริงๆ จ, จริงอยู่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั้นคงจะไม่ใช่ประสบการณ์ทางจิตที่สูงส่งหรือประณีตเท่าใดนักในสายตาของชาวโลกมนุษย์ที่เคร่งศาสนาเพราะเขาต้องการใจะให้เรามีสีหน้าบึง่งตึงและคร่ำเคร่งอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเรื่องที่ชาวโลกมนุษย์จะคิดเอาเอง แต่สําหรับพวกเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องประสบการณ์ในทางจิตที่จะลืมไม่ได้อย่างหนึ่งทีเดียวและมันก็ได้ให้คุณค่าเกี่ยวกับความประณีตแห่งจิตใจของพวกเราอีกด้วยยังไม่ต้องสงสัยแต่การที่ท่านหัวหน้าได้กรุณามาเยี่ยมเราครั้งนี้ก็คงไม่ได้มุ่งหมายจะให้เราเป็นผู้วิเศษหรือศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแต่ท่านมุ่งหมาย เพื่อจะให้เกิดคุณงามความดีขึ้นกับดวงจิตอันเป็นอมะตะหรืออิมมอร์ทนโซนส์ของพวกเราทุกคนโดยแท้และการที่จิตใจของเราจะบรรลุถึงคุณงามความดีได้นั้นก็ไม่จำเป็นต้องแบกภาระในทางศาสนาที่เป็นการผิดธรรมชาติแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ละอายอย่างใดเลย ในการที่ได้แสดงกิยุทธอาการอันเกิดจากแรงดันของปีติดังเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นบทส่งท้ายเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรเยอร์ต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวมากนักนอกจากว่าเราได้พาโรเยอร์ไปเข้าเป็นนักเรียนฝึกหัดการสร้างดอกไม้กับผู้เชี่ยวชาญในทางนี้ ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีภาระในการนำโรเยอร์ชมภูมิประเทศจึงเป็นอยุติลงชั่วระยะหนึ่งและต่อมาเราก็ได้ทราบข่าวอันเป็นที่น่ายินดีว่าโรเยอร์ได้มีความสามารถในการสร้างดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบขาวได้เป็นอย่างดีพอใช้และเขาได้ส่งดอกไม้ที่เขาสร้างขึ้นได้นั้น ไปให้กับผู้ที่รู้จักเกี่ยวข้องกันทุกคนเช่นเรเดียนทวิงปีเตอร์อิลิชและฟรานซ์โยเซฟเป็นต้นในที่สุดนี้เข้าพระเจ้าใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายทราบไว้ด้วยว่าโรเยอร์ที่เราได้บรรยายเรื่องของเข้ามาตั้งแต่ต้นนี้เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆหาใช่เป็นเรื่องที่ข้าพระเจ้าแต่งขึ้นจากมโนภาพ เพื่อให้เป็นที่อาศัยของเนื้อเรื่องแต่อย่างใดไม่เรื่องทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาแล้วนี้อาจเป็นเรื่องที่เบาเกินไปสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องหนักหนักแต่ข้าพเจ้าก็ใคร่ให้ท่านได้ทราบความเป็นไปของโลกทิพย์ตรงกับความเป็นจริงมากกว่าที่จะบิดเบือนไว้เพื่อให้ถูกใจบุคคลบางคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าเราชาวโลกทิพย์ไม่ได้ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการสวดมวนต์ภาวนาหรือถกเถียงกันด้วยภาษาสูงสูงและในเรื่องที่สูงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องตลอดเวลาเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นก็จะเท่ากับว่าเราไม่มีชีวิตอยู่เลยแต่นี่เรารู้จักโเ ร, ราสนุกสนานเรื่อนเริง และสนทนากันอย่างปกติธรรมดานั่นเองและมีความยินดีที่เราสามารถมีความเป็นอยู่ได้ดังเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากพากันกาเกณฑ์จะให้เราเป็นให้ได้นั้นเลยรายการธรรมสาระจากหนังสือเรื่องโลกทิพย์ภาคสองหรือ More about life in the world unseen จบลงเพียงเท่านี้